บทที่ยี่สิบสู่อ้อมกอดแห่งมารดา <B cai> เมื่ออโศกและศรีคารินศึกษาสำเร็จแล้วก็เตรียมเดินทางกลับนครปาตาลีบุตรก่อนจะเดินทางกลับสองวันเขาได้ไปหาชโลทาราและชาลินีรวมทั้งบิดาของชโลทาราด้วย อาโศกได้ให้คำมั่นสัญญาก่หญิงสาวว่าเขาจะรักเธอเสมอมีโอกาสเมื่อใดจะขอรับชโลธราไปไว้เป็นมิ่งขวัญประจำเรือนตนสาวน้อยบ้านป่าผู้ไม่เคยแก่การจากเมื่อทราบว่าชายอันตนรักจะต้องจากไปในเวลาอันสั้นนี้แล้วให้รู้สึกว่าหวามวิววันและว้าเวสุดจะประมาณได้แต่ครั้นจะแสดงมากเกินไป ก็เกรงจะผิดวิสัยแห่งกุลสตรีจึงเก็บความรู้สึกนั้นเสียกระนั้นก็ตามความระทมหม่นไหมก็ยังฉาบใช้ออกมาทางดวงตาและแววตาอย่างชัดแจ้งเธอได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่าบุคคลได้รับความสุขความเริงใจจากสิ่งใดย่อมจะได้รับความทุกข์ความระทมใจจากสิ่งนั้นด้วยเป็นกฎแห่งความจริงที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรักกับความสะเทือนใจนั้นเป็นของคู่กันอโศกนางพูดขณะในตาเ อ, อิดด้วยอสุชนท่านคงไม่ลืมตากศิลานะชะโลทราอาโศกตอบท่านจงมั่นใจเถิดว่าข้าพเจ้าจะไม่ลืมตากศิลาเลยตากศิลาให้ทั้งความรู้และความรักแก่ข้าพเจ้าเมื่อใด ข้าพเจ้าใช้วิชาประกอบอาชีพเมื่อนั้นข้าพเจ้าจะต้องระลึกถึงตักกศิลานครแห่งวิทยาการและเมื่อใดข้าพเจ้ารู้สึกว้าเวเพราะขาดคนที่เอาใจข้าพเจ้าจะระลึกถึงตักกศิลาถึงหญิงงามผู้หนึ่งชื่อชโลธราคอยเอาใจให้ข้าพเจ้าชื่นบานวันใดข้าพเจ้าใหญ่โตพอจะโอบอุ้มชโลธราได้แล้ววันนั้น ข้าพเจ้าจะถนอมชโลธราให้สมใจตัวคืนวันรุ่งขึ้นที่จะต้องจากกันอโศกและสิครินได้เข้ากราบลาอาจารย์เพื่อฟังโอวาทบางอย่างจากท่านด้วยอาจารย์ที่สา ป, ปาโมกซึ่งทราบอยู่อย่างแจ้งชัดว่าอาโศกคือราชโอรสองหนึ่งของพระเจ้าพินทุสารมีโอกาสที่จะกรองความเป็นใหญ่ ในอาณาจักรมคตต่อไปในภายหน้าได้ประทานโอวาทอันเหมาะสมแก่ผู้ที่จะครองแผ่นดินท่านให้โอวาทอันเหมาะสมแก่ศิครินด้วยว่าในขณะที่เป็นราชกุมาร 1. นึน่อยากแข็งกระด้างเยอ่อยิงอวดดีหรือดูหมิ่นอมาต ร, ราชบริพารของพระราชาจงแสดงอาการถ่อมตนต่ออัคราอมาตและเสนาบดีผู้ใหญ่ ผู้สูงทั้งโดยวัยและวิชาความรู้แม้ท่านเหล่านั้นจะเคารพนบนอ ก, นอกรชกาชกุมารก็เคารพในฐานะเป็นผู้เจริญโดยชาติดอกหาได้ยำเกรงในความปรีชาสามารถหรืออย่างอื่นไม่จงรู้จักให้เกียรติเขาตามฐานะของเขาทุกคนย่อมรู้สึกว่าตนเป็นผู้มีเกียรติการให้เกียรติแก่ผู้อื่นตามฐานะของเขา ย่อมได้รับความรักเคารพนับถือคืนมาและเขาก็พร้อมที่จะให้เกียรติเราเช่นเดียวกันอย่าสแสวงหาความสุขจากการไม่ทำอะไรอย่านึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมแล้วไม่ต้องทำอะไรก็อยู่สบายตลอดชีวิตความสุขที่เกิดจากความเพียรพยายามในทางที่ชอบนั้นเป็นความสุขอันถาวรและน่านิยมชมชื่น 3. จงพยายามช่วยตนเองและผู้อื่นจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์คนทั้งหลายไม่มีประโยชน์ตนอันใดที่คนอื่นจะไม่พลอยได้รับไปด้วยและในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นตนเองก็พลอยได้รับด้วยเหมือนกันจะแตกต่างกันก็เพียงได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมเท่านั้นผู้ที่ป้องกันตนเองรอดพ้นจากความเสื่อม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 เพราะฉะนั้นจงคุ้มครองตนด้วยดีและจงคุ้มครองผู้อื่นด้วยดี 4. วิชาความรู้ที่ศึกษาไปนั้นจงใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดวิชาที่ไม่ได้ใช้เหมือนอาหารที่บริโภคแล้วไม่ย่อยมีแต่จะก่อความอึดอัดรำคาญและเป็นพิษอย่าคอยโอกาสให้คนอื่นใช้เสียก่อนแล้วจึงค่อยใช้วิชา เราจงใช้วิชาเสียก่อนเมื่อคนอื่นเห็นคุณค่าของวิชาในตัวเราแล้วเขาก็พลอยเห็นเจ้าของวิชามีคุณค่าไปด้วยคนที่บ่นว่ามีวิชาความรู้แต่ไม่มีโอกาสนั้นคือคนที่คอยแต่ให้ราชรสมาเกยแล้วจึงค่อยทําอะไรอะไรความจริงในชีวิตเป็นอีกอย่างหนึง่งคือคนต้องทําอะไรอะไรแสดงความสามารถเสียก่อน แล้วราชรสจึงจะมาเกยเพื่อให้เราแสดงความสามารถต่อไปจงเชื่อเถิดว่าคนที่มีความเพียรและความสามารถนั้นโอกาสจะเจริญก้าวหน้าย่อมมีอยู่เสมอในโลกนี้ล้นหลามไปได้วยคนที่มีความสามารถหมายถึงงานในหน้าที่ของตนแต่คนที่สามารถเหมาะแก่ ง, งานในหน้าที่ หรือมีความสามารถเหนืองานในหน้าที่ของตนนั้นมีอยู่น้อยยังหาได้ยากอยู่เมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนเล่าคนจะไม่ต้องการผู้มีความสามารถขอให้มีความสามารถจริงเถิดถ้ามีโอกาสได้กรองแควน้นหรือนครใดนครหนึ่งข้อหนึ่ง จงปกครองรัฐโดยธรรมจงประพฤติ ธ, ธรรมแห่งผู้ปกครองเมื่อเป็นผู้ใหญ่ประกอบตนด้วยธรรมผู้น้อยจะประพฤติตามเมื่อฝูงโคกำลังข้ามฟากถ้าโคนายฝูงนำไปดีนำไปทางไหนแม่โคและลูกโคก็จะไหวาตามไปจะถึงที่ปลอดภัยหรือล่มจมห่วงน้ำก็แล้วแต่โคนายฝูงอีกอย่างหนึ่ง ข้อแตกต่างระหว่างสัตว์กับคนคือความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงสัตว์และการปกครองคนอยู่ที่ว่าฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงคนต้องนำหมายความว่าฝูงสัตว์เมื่อเราจะให้ไปทางใดก็ต้องต้อนไปแต่หมู่คนต้อนไม่ได้ต้องนำคือทําให้ดูพูดให้ฟังแสดงให้เห็นมนุษย์มีสัญชาตญาณในการเรียนแบบ มักทําตามบุคคลที่เขาชอบเลื่องใสถ้าเขาชอบเลื่อมใสบุคคลใดแล้วแม้บุคคลนั้นจะไม่เคยสอนเขาด้วยวาจาเลยเขาก็พยายามที่จะทําตามส่วนคนที่สอนเขาอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นเยี่ยงอย่างในทางที่ดีแทนที่เขาจะเชื่อฟังและทําตามแต่เขากลับชิงชังและเบื่อนนายข้อสอง อย่าหลอกลวงประชาชนอย่าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าพวกเขาถูกหลอกเมื่อทําให้พวกเขามีความรู้สึกอย่างนั้นเสียแล้วครั้งต่อๆไปแม้ผู้ปกครองนครจะมีนโยบายดีและซื่อสัตย์สุจริตประชาชนก็จะระแวงว่าอาจจะถูกหลอกอีกอยู่ร่างไปอย่านึกว่าประชาชนโง่ไม่เท่าทันความจริงรู้ แต่ที่เขาทําอะไรไม่ได้ก็เพราะเขาไม่มีอํานาจไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ป้องกันตนแต่อย่าลืมว่าเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ผู้กรองรัฐไม่ควรนึกว่าความสุขของตนคือความสุขของประชาชนแต่ควรนึกเสียใหม่ว่าความสุขประชาชนคือความสุขของตัวข้อสาม อย่าเพลิดเพลินลุ่มหลงในการโลกีจนลืมประชาชนทอดทิ้งประชาชนให้อ้างว้าง ว, าว้าเหวไม่มีที่ยึดเกาะถ้าเป็นเช่นนั้นประชาชนที่มั่งคั่งจะพลอยเอาอย่างบ้างจงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้สี่จงข่มคนที่ควรขม่มยกย่องคนที่ควรยกย่องอย่ายกย่องคนที่ควรขม่ม หรือคมคนที่ควรยกย่องอย่าหลงรักใกล้คนที่ทำดีเพียงเอาหน้าอย่าเพิกเฉยไม่เห็นคุณค่าของมิตรที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อตน 5. จงเอาชนะคนสูงศักดิ์ด้วยการอ่อนน้อมชนะคนต่ำต้อยด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อชนะคนแกล้วกล้าด้วยการให้แตกสามคัคคีชนะคนเสมอกันด้วยความเพียรพยายาม อาโศกและสีครินเดินทางมาถึงนครปาตาลีบุตรด้วยความปลอดภัยพระนางวิมังสาเทวีดีพระไทยชื่นชมสมนัตจนไม่อาจกลั้นอสุชนทาราได้พระนางโอบ ก, กอดพระราชโอรสอย่างถนอมฝ่าพระหัตต์ลูกเลื่อนไปมาที่ท้ายทอยพร้อมรับสั่งว่าอย่าจากแม่ไปออกนะลูกนะ เจ้าชายวีตโศกพระอนุชาวเวลานี้เติบโตขึ้นมากเจ้าชายอาโศกเป็นหนุ่มเต็มที่5ปีที่จากไปทําให้ดูแปลกตาไปไม่น้อยอีกผู้หนึ่งคือคอยอโศกเหมือนมัดฉาหน้าแล้งคอยพิรุนหลังคือวินีตาซึ่งบัดนี้เป็นสาวเต็มที่อาการที่เคยเงียบขรึมมาเป็นเวลานา น, านดูสดชื่นแจ่มใสขึ้น ประดุษมาลีที่เหี่ยวแห้งเพราะขาดน้ำสดชื่นขึ้นเพราะฝนต้นฤดู<อ>พระเจ้าพินทุสารแม้จะไม่สู้โปรดปรานอโศกนักแต่ก็อดที่จะแสดงอาการดีพระไทยไม่ได้ส่วนพระอัครมเหสีและเจ้าชายสุสีมานั้น ดูเหมือนจะไม่ค่อยยินดียินร้ายกับการกลับมาของอโศกเสียเลยแต่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่พระอัครไมเหสีก็แสดงความยินดีไปอย่างแก่นแกนเจ้าชายสุสิมะผู้มีความหวังในตัววิเนตาอยู่และได้พยายามขอความเห็นใจจากเธอตลอดเวลาที่อโศกอยู่ณตำหนักตกศิลานั้นเมื่ออโศกกลับมา ความหวังของพระองค์ก็เหลือน้อยเต็มทีเรื่องความรักเป็นเรื่องประหลาดคนที่ไม่มีก็ช่างยากเสียจริงๆจะไปรักใครสักคนเขาก็ไม่รักด้วยส่วนคนที่มีก็มักจะมีเสียเหลือเฟือจนเกิดความลาบากใจในการเลือกเรื่องนี้ก็แล้วแต่บุคคลผู้นั้นจะมีสเสน่ห์ติดตัวมาเพียงใด และได้ปรับปรุงลักษณะของตนให้น่าคบหาสมาคมเพียงใดอีกด้วยการต่อมาข่าวนาครตกศิลาเกิดกบฏแข็งเมืองที่แพร่สะบัดมาสู่นครหลวงแห่งแคว้นมคตพระเจ้าพินทุสารรับสั่งให้เจ้าชายสุสิมะไปปราบแต่ไม่อาจปราบได้สำเร็จเรียบร้อยได้จึงเรียกเจ้าชายสุสิมะคืนมาและทรงสั่งอโศกไปปราบปรามแทน อโศกและศรีคารินเตรียมทัพเดินทางไปสู่นครตักกศิลาอีกครั้งหลังจากทิ้งไปเป็นเวลาปีเศษอโศกในฐานะนายทัพสั่งให้ชุมนุมพลที่ประตูพระนครให้เรียกประชุมนายกองในหมวดทั้งสีล่ลาวคือทัพช้างทัพมา้าทัพรถและพลเดินเท้าชี้แจงการเดินทางและข้อที่ควรทราบ มีนายกองมา้าคนหนึ่งบังอาจออกความเห็นขัดแย้งนายทัพอโศกจึงสั่งประหารชีวิตเพื่อมิให้ทหารทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างทหารต้องรับคำสั่งและทําตามผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีข้อขัดแยง้งและไม่ต้องถามเหตุผลอโศกประกาศก้องข้าพเจ้าสั่งประหารชีวิตในกองมา้า เพราะบางอาจขัดแย้งคําสั่งโดยชอบของข้าพเจ้าเมื่อออกสมครามถ้ามัวต้องการเหตุผลในคําสั่งกันอยู่ก็จะไม่อาจเอาชนะข้าศึกได้โดยฉับพลันทหารทั้งหลายทหารคนใดกล้าขัดคาสั่งหรือมีความเห็นขัดแย้งกับคําสั่งของข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าจะเอาชีวิตทุกคนทหารทุกคนชูดาบขึ้นและก้มศรีรษะลง แสดงว่ายินดีปฏิบัติตามคำสั่งของนายทัพในขณะที่ทหารผู้หนึ่งจะนำนายกองม้าไปประหารชีวิตนั่นเองศีคารินก็มาทูลขอชีวิตนายกองไว้อโศกให้ศีครินเป็นประกันว่าจะไม่ให้นายกองม้าผู้นั้นมีความเห็นขัดแย้งคาสั่งของนายทัพอีกถ้ามีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นจะเอาชีวิตของศีครินด้วย ซึ่งศรีรินยอมรับประกันนั้นนายกองม้าจึงรอดชีวิตไปได้ศรีครินประกาศว่าต่อไปเบื้องหน้าถ้าใครบังอาจมีความเห็นขัดแย้งนายทัพอีกเขาจะไม่ยอมประกันใครเป็นอันขาดขอให้ทหารทั้งหลายจําไว้การกระทาครั้งนั้นของอโศกได้ผลทั้งทางพระเดชและพระคุณทหารทั้งหลายก็ยำเกรงแม้จะยังมีอายุน้อย แต่ก็มีความเด็ดเดี่ยวสมเป็นนายทัพส่วนพระคุณนั้นคือทำให้ในายกองมาเห็นความกรุณาของอโศกและศีครินมากอยู่อีกประการหนึ่งอโศกต้องการสร้างความยำเกรงให้ทหารทั้งหลายเห็นความสำคัญของศีครินเพื่อนร่วมสำนักด้วยการปราบกบฏนครตักศกิลาครั้งนั้นสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดี ด้วยความเก่งกล้าสามารถของอโศกพระเจ้าพินทุสารทรงส่งเจ้าชายสุสิมะไปกรองนครตากศิลาแล้วเรียกเจ้าชายอาโศกกลับคืนสู่นครปาตาลีบุตรพระเจ้าพินทุสารมีพระประสม์แรงกล้าในการที่จะให้เจ้าชายสุสิมักกรองอาณาจักรมคตซึ่งเวลานั้นอนณาเขตภายสารพระองค์ทรงดําริว่า เมื่อใดพระองค์สิ้นพระชนลงรัชสมบัติจะตกแก่เจ้าชายสุสีมะพระโอรสแห่งพระมเหสีเอกแต่ความหวั่นเกรงในความสามารถในการลนอรมณ์ของอโศกราชกุมารก็มีอยู่ไม่น้อยยิ่งเมื่อปราบกระบทตกศิลาก็ยิ่งทำให้พระองค์แน่พระไทยมากขึ้นว่าพูดถึงความเก่งกล้าสามารถแล้วสุสีมะไม่มีทางสู้อโศกได้เลย พระองค์ทรงวางอุบายเสือกใสอโศกให้ไปอยู่ที่ไกลทรงไปครองนครอุจเชนีราชธานีแห่งแคว้นอวันเตซึ่งเวลานั้นรวมอยู่ในอำนาจของจักรวรรดิมคตอโศกและสิครินต้องออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยพระราชสารเรียกผู้ครองนครอุจเชนีกลับ และพระราชสารแต่งตั้งเจ้าชายอาโศกรองแควนอวันตีซึ่งมีอุจเจนีเป็นเมืองหลวงแทนเดินทางมาถึงเมืองเวทิตพอดีถึงวันมงคล น, นักคาตะเลิรเมืองเวทิตนี้มีชื่อเสียงมาตั้งแต่บรรพาการว่าสนุกสนานคลึกคลื้นยิ่งนักหญิงสาวชาวเมืองเวทิตซึ่งโดยปกติไม่ค่อยจะออกจากบ้าน ก็ได้รับอนุญาตพิเศษให้ออกดูการละเล่นมหารสศพต่างๆทั่วเมืองประดับด้วยธงทิวและพระมหาสารนั่งรถเทียมด้วยม้าอย่างดีมีบริวารแวดล้อมเที่ยวสัญจรหาความบันเทิงเสาสาเปิดผ้าคลุมหน้าเดินเป็นกลุ่มๆงานนี้มีถึงสามวันสามคืนงานนักขัตะเลิกเมืองเวทิศนี้ เป็นที่นิยมมาเที่ยวแม้แต่ในคนต่างเมืองต่างแคว้นอีกด้วยสองสหายหยุดม้าผูกไว้กับโคนมะม่วงแห่งหนึ่งหยุดเที่ยวงานเวทิตการสักสามวันดีกว่าซิคริณพูดขึ้นขณะที่จ้องมองสาวๆกลุ่มหนึ่งเดินผ่านไปเธอหนะเห็นสาวๆ ส, สวยๆที่ไหนก็จะหยุดอยู่ที่นั่นอโศกย้าว เดี๋ยวช้าไปเสด็จพ่อกริ้วตายพระองค์จะทรงทราบได้อย่างไรว่าเราหยุดยีที่ไหนกันบ้างสิครินออกความเห็นเวลานี้ไม่ได้อยู่ในกองทัพนะเดี๋ยวจะหาว่าขัดคำสั่งหรือออกความเห็นขัดแยง้งสั่งประหารซิอีกสิครินพูดพลางทําหัวเราะทําให้อโศกหัวเราะไปด้วยไม่ต้องสั่งดอกอโศก พูดทำท่าทางให้ขึงขังขึ้นถ้าจะประหารก็ประหารเสียเองเลยมาด้วยกันสองคนเท่านี้จะไปสั่งใครสั่งหม่อมชั่นก็ได้สั่งให้หม่อมชั่นประหารตัวเองสีขรินพูดหัวเราะร่วนคนอย่างเธอน้ารือจะประหารตัวเองได้อโศกพูดทำไมหม่อมชั้นจะประหารไม่ได้เรื่องฆ่าตัวตายเน่ะเรื่องเล็ก ข่าเมื่อไรก็ได้กลัวแต่คนอื่นค่าต่างหากละ่ะฆ่าตัวเองนะไม่กลัวนี่สิครินนึกอย่างไรขึ้นมาจึงพูดพระองค์พูดหม่อมฉันกับเราขึ้นมาเวลานี้อโศกท้วงติงก็ต้องเตรียมไว้ก่อนสิครินพูดอีกหน่อยถึงเมืองอุดเชนีพระองค์ก็ทรงเป็นเจ้าครองนคร หม่อมฉันจะพูดอย่างที่เคยศึกษาอยู่ต ก, กัศิลาไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ไม่ใช่องค์ชายเมื่อถึงที่นั่นแล้วพระองค์ก็ทรงอยู่ในฐานะอุ ป, ป ร, ราชเป็นเจ้ากรองนคร อ, อันยิ่งใหญ่แห่งหนึง่งในภระตะวัฏคนอื่นเขาไม่เข้าใจเจ้กว่าหม่อมฉันเป็นบ้าเวลานั้นเย็นมากแล้วพื้นที่บริเวณนั้น ถูกแผ่ปกคลุมไปได้ร่มเงาท้องฟ้าซึ่งโปร่งใสเมื่อยามบ่ายเริ่มมืดคลืมเมฆลอยลงตามลมกระพือพัดแรงและหน่วงเข้าทุกทีกิ่งใบของหมู่ไม้กระทบกันตามแรงลมที่เป็นใบแก่เหลืองก็ร่วงหล่นลงอีกครู่หนึ่งต่อมาฝนก็โปรยลงค่อยหนักเข้าทุกทีอสศก และสีครินหลบเข้าโคนต้นมะม่วงใบหนาหญิงสาวกลุ่มหนึ่งวิ่งหลบฝนเข้าสู่ดงมะม่วงส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าบางคนหัวเราะร่าเริงสนุกสนานนานๆครั้งเธอจะได้มีโอกาสเช่นนี้มองฟ้าเม็ดฝนไปที่ทางเดินอโศกและสีครินเห็นสตรีผู้หนึ่งเดินเยื้องย่างมาตามปกติมิได้มีอาการร้อนรนอะไรเลยทั้งทั้งที่ เวลานั้นฝนเริ่มตกหนักแล้วอโศกและศีครินประหาดใจมากมองจากระยะไกลพอเห็นแววแห่งความงามของสตรีผู้นั้นทั้งรูปทรงและกิริยาท่าทางเธอแวะที่ดงมะม่วงเข้ารวมกลุ่มกับหญิงสาวอื่นๆที่วิ่งมาหลบฝนอยู่ก่อนแล้วหญิงสาวทุกคนเข้ามาห้อมล้อมนางเสื้อผ้าอภรรของนางเปียกปร แต่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้แสดงอาการทุกข์ร้อนอะไรเลยใบหน้าคงเฉยเมยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอโศกเพ่งมองนางอย่างไม่วางตาศิครินสกิดพระราชกุมารเบาๆลองเข้าไปถามดูไหมสิครินพูดตามนิสัยของเขาซึ่งเห็นหญิงสาวแล้วอดไม่ค่อยได้อย่าเพิ่งเดี๋ยวคอยดูไปก่อนอโศกตอบ สวยมากไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้ชโลทราทาาไม่ติดสีกรินพร่ามตามนิสัยของเขาฝนตกภาพเปียกด้วยสวยอะไรอย่างนี้พูดไม่ถูกอาโศกก็มองเห็นว่าสุภาพสตรีคนนี้สวยมากสวยอย่างหาที่ติมิได้ริมฝีปากเต็มอิ่มแดงเรื่อเหมือนผลตำลึงสุกผมยาวประบา ปล่อยช้อนงอนขึ้นเบื้องบนแต่พองามผิวขาวละเอียดอ่อนเหมือนดอกกัญญิกาเข้าลักษณะเบญจ ก, กัลยาณีทุกประการแล้วเหลือเพียงฟันอย่างเดียวเท่านั้นที่เขายังไม่ได้เห็นอโศกคิดว่าจะต้องทำใจกล้าเข้าไปถามให้เห็นแน่นอนด้วยตาตนเองเมื่อนางพูดก็จะต้องเห็นฟันซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของเบญจกัลยาณี เขารวบรวมกำลังใจให้กล้านึกถึงสมัยเมื่อออกสนามยุทธมีความตายเรียงรายอยู่เบื้องหน้าเขายังกล้าออกสนามอย่างไม่สะทกสะท้านกับการเข้าไปถามสตรีหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจจะกลัวอยู่ใหญ่เล่าอาโศกคิดดังนี้แล้วจึงก้าวเข้าไปหาหญิงสาวด้วยอาการแห่งมิตร